สิกขาบทวิพังสี่ร้อยิบาคำว่าก็ภิกษุนั้นคือภิกษุผู้ทําลายสงนั้นคำว่าภิกษุคือมีภิกษุเหล่าอื่นคำว่าประพฤตตามความว่าภิกษุผู้ทําลายสงเห็นอย่างไรพอใจอย่างไรและชอบใจอย่างไรแม้ภิกษุเหล่านั้นก็เห็นอย่างนั้นพอใจอย่างนั้นและชอบใจอย่างนั้นคาว่ากล่าวสนับสนุนคือดารงอยู่ในพวก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 เธอทราบความพอใจและความชอบใจของพวกเราจึงกล่าวพวกเราเห็นด้วยกับคำนั้นคำว่าภิกษุเหล่านั้นได้แก่ภิกษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้นคำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นธรรม ภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นวินัยพวกท่านอย่าชอบใจการทำลายสงฆ์พวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงปรองดองไม่วิวาทมีอุดเทศเดียวกันย่อมอยู่ภาสุพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สถ้าภิกษุเหล่านั้นสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอบัตทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายทราบแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอบัตทุกกฎภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ถ้ำกลางสงว่ากล่าวตักเตือนว่าพวกท่านอย่าว่ากล่าวอย่างนั้นภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นธรรมภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้กล่าวสิ่งที่เป็นวินัยพวกท่านอย่าชอบใจการทําลายสง์พวกท่านจงพร้อมเพรียงกับสงเพราะสงผู้พร้อมเพรียงปลองดองไม่วิวาดมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่พาสุข พึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนพวกเธอแม้ครั้งที่3ถ้าภิกษุเหล่านั้นสลัดได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สลดัดต้องอบัตรทุกกฎสงฆ์พึงสวดสมุปพาธภิกษุเหล่านั้นวิธีสวดสมุปพาธและกรรมวาจาสวดสมุปพาธภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมุปพาธอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า420 ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุทั้งหลายชื่อนี้และชื่อนี้ประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุชื่อนี้ผู้เพียรพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสมรภาพภิกษุทั้งหลายชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรภาพภิกษุทั้งหลายชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่ง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 ถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรภาทภิกษุทั้งหลายชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นทารูปนั้นพึงนิ่งทรูปใดไม่เห็นด้วยทารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุทั้งหลายชื่อนี้และชื่อนี้สงสวดสมรภาทเพื่อให้สละเรื่องนั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้421จบบัญญัติต้องอบัตทกกฎ จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตธุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังฆาธิเศตเมื่อพวกเธอต้องอบัตสังฆาธิเศตอบัตทุกกฏที่ต้องเพราะบัญญัติอบัตธุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระงับไปสงพึงสวดสมรภาธภิกษุสองถึงสรูปคราวเดียวกันใม่พึงสวดสมรภาทภิกษุมากกว่านั้นคราวเดียวกันคําว่าเป็นสังฆาธิเศตความว่า สำหรับอาบัตนั้นทรงเท่านั้นให้ปริวาดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษ